เิรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อใสในพระพุทธศาสนาจุทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20มีนาคงพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทังหยะในเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ยึงได้ตั้งใจมาวัาเพื่อมาสร้างที่พึ่งทางใจเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถดับความทุกข์ใจเป็นที่พึ่งของใจได้นอกจากพระพุทธศาสนานอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านั้นที่จะสามารถปกป้องรักษา ใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายไม่ให้เศร้าโศกเสียใจได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นเพียงวัตถุเป็นเพียงเครื่องดับทุกข์ทางร่างกายเช่นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหง่มสิ่งเหล่านี้ปกป้องรักษาร่างกายเราได้ ป้องกันความทุกข์ทางร่างกายเราได้แต่ไม่สามารถปกป้องความทุกข์ทางจิตใจของเราได้ต่อให้เรามีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจะไม่สามารถดับความทุกข์ใจของพวกเราได้เลยต่อให้เป็นพระมหากษัตริย์ประธานาธิบดี เป็นมหาเศรษฐีก็ยังต้องมีความทุกข์ใจยังต้องเสียใจยังต้องวุ่นวายใจยังต้องร้องโผงร้องไห้เพราะว่าความเป็นมหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีเป็นมหาเศรษฐีไม่สามารถคุ้มครองรักษาใจของเขาไม่ให้มีความทุกข์ใจได้ ผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่ในใจนี้จะสามารถอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเกิดขึ้นกับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เกิดขึ้นกับร่างกายของตนเองจะไม่มีความทุกข์ภายในใจของผู้ที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสรารณะเป็นที่พึ่งพวกเราเป็นพวกที่มีบุญมีวาสนามีโชคคาราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ให้เป็นที่พึ่งให้แก่สรรโลกได้สักครั้งหนึ่งนานๆที่จะมีโอกาสได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนที่ประเสริฐเลิโนกเป็นคำสอนที่จะพาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนานๆจะมีโอกาสอย่างนี้สักครั้งหนึ่งยากยิ่งกว่าการถดวัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเสียอีกดังนั้นพวกเราไม่ควรปล่อยโอกาสอันดีงาม น, นี้ให้หลุดมือไปให้พวกเราไขว่คว้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ให้มาเข้าสู่ใจของพวกเราให้ได้แล้วพวกเราจะไม่มีความทุกข์เลยจะมีแต่ความสุขไปตลอดและจะไม่ต้องกลับมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอย่างที่พวกเรากำลังทุกข์กันอยู่ในปัจจุบันนี้และจะต้องทุกข์ต่อไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ มาดึงจิตดึงใจของพวกเราให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเหวี่ยนไหวตายเกิดมีพระพุทธก็ทำพระสง์นี้ที่จะสามารถดึงใจของเราให้ออกจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าเปรียบกับจรวจก็เป็นจรวจที่จะดึงยานาวการให้ หลุดพ้นจากแรงดึงดูดของโลกนี้ได้พวกเรานี้ถ้าจะออกไปทางขึ้นไปในอวกาศไปสู่ดาวดวงใหม่เราต้องมีจรวดมญยานอาวกาศที่จะส่งให้พวกเราขึ้นไปท้องฟ้าให้ออกไปจากแรงดึงดูดของโลกได้ ถ้าพวกเราไม่มีจรวดไม่มียานอาวากาศพวกเราก็จะติดอยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆเพราะแรงเบริด่ดของโลกนี้จะเดิงให้เราติดอยู่กับโลกนี้เวลานักบินอาวากาศเขาจะไปสำรวจดาวต่างๆเขาต้องมียานอาวากาศมีจรวดที่มีกำลังมากกว่าแรงดบนดูดของโลกจึงจะสามารถพาให้เขา และยานอาวกาศนั้นออกจากแรงดึงดูดของโลกได้เดินทางไปสู่ดาวต่างๆได้ฉันใดใจของพวกเราตอนนี้ก็ถูกแรงดึงดูดของวัฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดดูดเราให้ติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกตายแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ เกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ตายไปแล้วก็กลับมาใหม่เพราะพวกเราตามลำพังจะไม่มีกําลังที่จะนี้ออกจากแรงดึงดูดของโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่พอเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสั่งสอนพวกเราบอกวิธีให้พวกเราปฏิบัติ เพื่อให้ดึงใจของพวกเราออกจากการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราก็สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกับพวกเราอยากจะหนีจากโลกนี้ไปเราถ้ามียานอวากาศเราก็จะขึ้นยานอวากาศไปได้ไปไปอยู่โลกอื่นไปอยู่ดาวอังคารไปอยู่โลกพระจันทร์ได้แต่ตอนนี้ เรายังไม่มีจรวดยังไม่มียานอวากาศคือเรายังไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ภายในใจของพวกเราถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเหมือนยานอวากาศของคนอื่นยังไม่ได้เป็นของเราเราต้องไปซื้อยานอวากาศนี้มาเป็นสมบัติของเราก่อนแล้วเราถึงจะสามารถขึ้นยานอวากาศนี้ ให้ออกไปจากโลกนี้ได้ฉันใดตอนนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราได้มาพบนี้ยังไม่ได้เป็นของเราเพราะยังไม่ได้อยู่ในใจของเรายังไม่สามารถที่จะพาใจของเราให้ออกไปจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเราจึงต้องมาซื้อยากอวกาศมาสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ให้เกิดขึ้นภายในใจของพวกเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราได้ยินได้ฟังนี้เอาเข้ามาสู่ใจของเราการที่จะเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจของเราก็ต้องเข้าด้วยการศึกษาเข้าด้วยการปฏิบัติสองขั้นตอนขั้นตอนแรกต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเป็นใคร ศึกษาว่าพระอารหันตสาวกหรือพระอาริยสงสาวกเป็นใครแล้วก็ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติอย่างไรการศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าหรือการศึกษาประวัติของพระอริยสงสาวกก็คือเป็นการดูตัวอย่างแบบฉบับของวิธีการ ดำเนินชีวิตเพื่อให้จิตใจได้หลุดออกจากกองทุกบต่างๆพระพุทธเจ้าอยู่อย่างไรพระอริยสงสาวกอยู่อย่างไรกินอย่างไรทําอะไรกำหนอย่างไรถึงทําให้ใจของท่านไม่มีความทุกข์ถ้าเราเอาแบบฉบับของท่านมาปฏิบัติกับเราเอาคําสอนที่ท่านเอามาสอนพวกเรา มาปฏิบัติเราก็จะได้เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับพระอริยสงสาวกคือเราจะได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปกป้องคุ้มครองรักษาใจมาดึงใจของพวกเราให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งที่ดึงดูดจิตใจของพวกเราให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด ก็คือความอยากต่างๆที่พวกเรามีอยู่กันในขณะนี้ตอนนี้ไม่มีใครบอกได้เลยว่าไม่มีความอยากทุกคนมีความอยากทั้งนั้นอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่อยากไปนู่นมานี่อยากจะดูอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอยากจะฟังมีแต่ความอยากตลอดเวลาความอยากเหล่านี้แหละ ที่เป็นตัวที่ทำให้เราต้องกลับมาผุดมาเกิดใหม่เพราะถ้าเราอยากดูเราก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากจะลิ้มรสก็ต้องมีลิ้นอยากจะสัมผัสกับสิ่งต่างๆก็ต้องมีร่างกายพวกเราจึงต้องมีร่างกายกันแต่พอร่างกาย เราได้มาแล้วเราก็ต้องมาทุกกับร่างกายเพราะร่างกายนี้มันต้องมีอะไรมาเลี้ยงดูมันมันถึงจะอยู่ได้เราก็ต้องทุกกับการทามาหากินทุกกับการดูแลรักษาร่างกายเราอย่างต้องมาทุกกับความแก่ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ห้ามไม่ได้มาทุกกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็ต้องมาทุกกับความตาย นี่เป็นเหตุเหตุที่ทำให้เราต้องมาตกอยู่ในสภาพนี้ก็คือความอยากต่างๆของพวกเรานี่เองตราบใดที่เรายังมีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ตราบนั้นเรายังจะต้องมีร่างกายอยู่เรื่อยเหมือนกับคนที่ติดบุหรี่ตราบใดที่ยังอยากจะสูบบุหรี่อยู่ตราบนั้นก็ต้องหาบุหรี่มาสูบอยู่เรื่อย ตราบใดที่ยังอยากจะดื่มสุราอยู่ตราบนั้นก็ยังจะต้องไปหาสุรามาดื่มอยู่เรื่อยๆตราบใดที่ยังอยากจะมีสามีอยากจะมีภรรยาอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องไปหาสามีหาภรรยามาอยู่ด้วยเพราะว่าเวลาเกิดความอยากแล้วถ้าไม่ได้ทําตามความอยากนี้จะทุกข์ทรมานมากนั่นเองยอม เป็นฆ่ า, าธาตุเป็นาธาตุของความอยากดีกว่าต่อสู้กับความอยากเพราะเวลาฝืนความอยากนี้มันแสนทรมานใจเราพวกเราจึงไม่สามารถที่จะสู้กับความอยากได้ถ้าเราไม่มีอาวุธถ้าเรามีอาวุธเราจะสู้กับมันได้อาวุธนี้เราต้องไปขอจากพระพุทธเจ้าขอจากพระอริยสงสาวธ ท่านเป็นผู้ค้นพบอาวุธที่เราจะสามารถนำเอามาใช้ต่อสู้กับความอยากต่างๆได้อาวุธนี้ก็คือธรรมะคำสอนนี่เองที่สอนให้พวกเราทำทานสอนให้พวกเรารักษาสิ่สอนให้พวกเราภาวนากันนี่คืออาวุธที่เราจะสามารถเอามาใช้ต่อสู้กับความอยากต่างๆได้เช่นวันนี้เรามา มาทำทานกันเราเอาเงินที่เราจะไปใช้ตามความอยากนี้เอามาทำบุญแทนแทนที่จะเอาเงินนี้ไปเที่ยวไปซื้อของที่เราอยากจะได้ไปทาในสิ่งที่เราอยากจะได้วันนี้เราขอ ง, งดหนึ่งวันเราจะมาสู้กับความอยากด้วยการเอาเงินที่จะไปซื้อของตามความอยากนี้ เอามาทำบุญทำทานแทนพนะอเราได้ทำบุญทำทานแล้วแทนที่เราจะรู้สึกทรมานใจจากการที่เราไม่ได้ไปทำตามความอยากเรากลับมีความสุขใจนะนี่คือวิธีหนึ่งที่จะทำให้เราต่อสู้กับความอยากจากการใช้เงินทองซื้ออะไรต่างๆเช่นอยากจะซื้อสุรา วันนี้เราไม่ซื้อเราจะมาซื้อกับข้าวกับปลามาใส่บาตรแทนพอเราทำอย่างนี้เราก็ไม่ได้มีสุราดื่มแต่เราจะไม่เดือดร้อนเพราะเราทำบุญและเราจะมีความสุขใจมีความอิ่มใจความอยากจะดื่มสุรานี้จะบรรเทาลงไปในระดับหนึ่งนี่คือวิธีหนึ่งของการใช้อาวุธต่อสู้กับความอยาก เวลาเราอยากจะเสื้ออะไรอยากจะใช้เงินทำนูน่นทำนี่มาทำบุญดีกว่าแล้วเราต่อไปเราจะได้ไม่ต้องทำตามความอยากเพราะว่าทุกครั้งที่เราฝืนความอยากได้ความอยากจะอ่อนกําลังลงไปแต่ทุกครั้งที่เราทำตามความอยากความอยากจะมีกําลังมากขึ้นเช่นวันนี้ถ้าเราเอาเงินไปซื้อของที่เราอยากได้ เดี๋ยเพิ่ม น, นี้มันอยากจะซื้อของอีกแล้วเพราะว่ามันจะไม่ตายไปไม่หายไปวิธีที่จะทําให้ความอยากหายไปเราต้องฝืนมันอยากไปทํามันนี่คือวิธีที่หนึ่งให้เราเอาเงินทองที่เราจะไปใช้กับความอยากต่างๆเอามาทําบุญให้ทานแทนขั้นที่สองก็คือการกระทำของเรา ที่ทำแล้วให้เกิดทุกข์ต่างๆเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการเสพสุรายามาเป็นการกระทําตามความอยากเวลาเราอยากได้อะไรและเราก็จะไปทําอยากจะฆ่าสัตว์เราก็จะไปฆ่าอยากจะลักทรัพย์เราก็จะไปลักทรัพย์แต่พอเราทาไปแล้ว ถึงแม้ว่าเราจะได้ทำตามที่เราอยากแต่เราจะต้องรับผลของการทำบาปคือใจของเราจะต้องทุกมไม่สบายใจวิตกกังวลหวาดกลัวกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษแล้วนอกจากนั้นเวลาตายไปแล้วยังต้องไปใช้กรรมในอาบายแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเป็นเทวดา ถ้าทำบาปแล้วจะต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนไปเกิดเป็นเรณีฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือที่ไปของผู้กันความบาปแต่ถ้าเราเอาเอาศีลมารักษาใจเรามาต่อสู้กับการอยากกระทำบาปต่างๆเราก็จะสามารถป้องกันไม่ให้เราต้องไปตก ไปเกิดในอบายได้ไม่ต้องมาทุกข์กับการทำบาปของเราได้อันนี้ก็วิธีที่สองที่เราจะใช้ต่อสู้กับความอยากต่างๆที่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราวิธีที่สมเครื่องมือชนิดที่สาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราใช้ในการต่อสู้กับความอยากก็คือให้ทำใจของเราให้สงบ เวลาใจสงบแล้วใจจะอิ่มใจจะมีความสุขจะไม่มีความอยากไม่มีความหิวเวลาเห็นสุราก็จะรู้สึกเฉยเฉยเวลาเห็นแฟนก็จะรู้สึกเฉยเฉยเพราะว่าใจอิ่มเหมือนใจเหมือนกับคนที่ได้รับประทานอาหารแล้วเวลารับประทานอาหารแล้วต่อให้เห็นอาหารดีขนาดไหนก็จะไม่อยากจะรับประทาน เพราะว่ามันอิ่มนั่นเองใจของพวกเราตอนนี้ไม่อิ่มกันเราถึงหิวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรถหิวกับคนนั้นหิวกับคนบนี้หิวกับสิ่งนั้นหิวกับสิ่งนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้คนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนอยากได้อยากได้ไปนั่นมานี่อยากทํำนู่นทํานี่เพราะใจเราไม่อิ่มนั่นเอง ใจเราขาดอาหารเราไม่เคยให้อาหารกับใจของพวกเราเลยเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเรากลับให้ยาพิษกับใจด้วยการไปทำตามความอยากทำแล้วก็ทำให้ใจหิวมากขึ้นไม่ใช่หิวน้อยลงอยากน้อยลงวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่หิวไม่อยากเราต้องมาทำใจให้สงบ วิธีทาใจให้สงบก็ต้องใช้สติควบคุมใจสติก็มีหลายแบบหลายชนิดวิชนิดที่เรารู้กันชนิดที่ทําง่ายๆก็คือใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปให้เราเลิกถึงพุทโธพุทโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เวลาเรานั่งเฉยๆหลับตา แล้พุดโธพุดโทไปใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้นี่คือสิ่งที่จะทําให้เราหยุดความอยากต่างๆได้ถ้าเราไม่มีอาวุธเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าท่งมอบให้กับพวกเราส่งสอนพวกเราและทรงกระทําเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้เห็นว่าเป็นวิธีที่จะทําให้พวกเรา ได้หลุดพน้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็คือวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงสอนพระพุทธเจ้าสอนให้ทาทานเพราะพพุทธเจ้าก็ทาทานสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสละภรรยาสละบุตสรสละความสุขทางร่างกายไปเพื่อที่จะไป ทำใจให้สงบเพื่อที่จะทําใจให้อีกแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ทําบาปทํากรรมเพราะการทําบาปทํากรรมนี้เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขแล้วก็ไปบําเพ็ญภาวนาทําใจให้สงบด้วยการจเจริญสติอย่างต่อเนื่องควบคุมความคิดต่างๆไม่ให้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เพราะถ้าคิดแล้วเดี๋ยวก็จะเกิดความอยากตามมาถ้าคิดถึงตู้เย็นก็อยากจะไปเปิดดูว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้างถ้าคิดถึงขนมก็อยากจะรับประทานคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มแต่ถ้าคิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปใจก็จะไม่มีความอยากเกิดขึ้นใจก็จะเย็นจะสบายมีความสุขแล้วหลังจากที่เราได้พบกับความสุข ที่เกิดจากความสงบแล้วท่านต่อไปเวลาเราออกจากความสงบมาเราก็ต้องใช้ความจริงมาสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเพราะว่าเวลาอยากได้เราก็ต้องดิ้นรนไปหาสิ่งที่เราอยากได้ถ้าหาไม่ได้ก็เสียใจ ถ้าหาได้มาเดี๋ยวก็หมดไปก็ต้องหาใหม่เวลาหมดไปก็เสียใจสู้อํทใจให้สงบดีกว่าหยุดความอยากดีกว่านี่คืออาวุธต่างๆที่พระตุทเจา้าทรงค้นพบวิธีที่จะทําลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปความจริงแล้วสิ่งต่างๆในเริ่มนี้ เขาไม่สามารถทำให้เราทุกข์ใจได้แต่สิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจได้คือความอยากของเราเช่นความแก่ความเจ็บความตายนี้ความจริงแล้วเขาไม่สามารถทำให้เราทุกข์ใจได้แต่เรากลับไปทุกข์เพราะเราอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเท่านั้นเองถ้าเราไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเราจะไม่ทุกข์เลย หรือว่าเราไปทุกข์กับแฟนของเราก็เพราะว่าเราอยากจะให้แฟนอยู่กับเราดีกับเราแต่พอแฟนเขาไม่ดีกับเราไม่อยู่กับเราเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาดีกับเราไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเราเวลาเขาไม่ดี Una, เวลาเขาจากเราไปเราจะไม่รู้สึกอะไรเราจะไม่ทุกข์เลย เหตุการณ์ต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่ามันจะเจริญหรือจะเสือ่อมว่ามันจะเกิดหรือมันจะดับถ้าเราไม่มีความอยากแล้วรับรองได้ว่ามันจะไม่ทำให้ใจของเราทุกข์เลยที่ใจของเราทุกข์กันเพราะเราไปอยากให้เขาเจริญไม่อยากให้เขาเสือ่อมเช่นอยากให้เจริญในลาบยศสรรเสริญกันมา อาหาพระก็มาขอพอรขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละไม่ยอมขอพอรว่าขอให้เสื่อมจากอายุวณนะสุขภะพละเลยมีแต่อยากให้เจริญแล้วเกิดเวลามันเสื่อมจะทําอย่างไรเพราะว่าของต่างๆในโลกนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจเจริญแล้วมันจะต้องเสื่อมไม่มีอะไรจะไปเจริญไปอย่างเดียวไม่ได้จเจริญแล้วต้องเสื่อม ถ้าอยากจะไม่ทุกข์ต้องอยากทั้งสองอยา่างอยากทั้งเจริญและอยากทั้งเสือ่อมเวลามาขอพอรพระต้องขอให้เจริญในอายุวันสุขภาระและขอให้เสื่มจากอายุวณนสุขภาระถ้าขอพอรแบบนี้รับรองได้ว่าจะไม่ทุกข์ใจเวลาเสื่อมก็จะไม่ทุกข์เวลาเจริญก็จะไม่ทุกข์แต่นี่เราจะเอาด้านเดียวจะเอาแต่เจริญอย่างเดียว พอไปเจอความเสื่อมเข้าก็ร้องโหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจนี่คือความจริงที่พวกเราไม่ยอมมองกันเราไม่ยอมมองความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราอยากจะให้มันเจริญไปอย่างเดียวมันจึงทำให้เราทุกข์ใจกันเวลาที่มันเสื่อมหรือเวลาเราคิดว่ามันจะเสื่อมยังไม่ทันเสื่อมเลยเพียงแต่คิดว่ามันจะเสื่อมก็ทุกข์แล้ว เวลาคิดว่าร่างกายต่อไปจะต้องกลายเป็นคนแก่แค่นี้มันก็ทุกข์แล้วยังไม่ทันแก่เลยยังไม่ทันเจ็บไข้ได้ป่วยเลยพอคิดถึงโรคมะเร็งขึ้นมานี่ก็เสียววับเข้าไปที่ในใจละเพราะว่าเราไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่อยากจะเป็นโรคมะเร็งกันแต่เมื่อเกิดมาแล้วร่างกายนี้มันเป็นที่ตั้งของเชื้อโรคไม่รู้เรอ เชื้อโรคมันถ้าไม่มีร่างกายมันจะอยู่ได้อย่างไรที่มันอยู่ได้เพราะว่ามันมีร่างกายร่างกายนี้เป็นบ้านของเชื้อโรคเมื่อมีร่างกายแล้วก็ต้องยินดีที่จะรับกับเชื้อโรครับกับโรคภัยไข้เจ็บเพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามันสอนตัวเราอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วเราต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดา ต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้สอนเพื่อให้เราหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าเราหยุดได้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับความแก่กับความเจ็บความตายเลยนี่คือเครื่องมือของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีใครมาสอนแบบนี้เลยเพราะว่าไม่มีใครอยากจะฟัง ไม่มีใครอยากจะคิดถึงความแก่ไม่มีใครอยากจะคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากจะคิดถึงความตายคําว่าตายนี้บางบ้านเขาห้ามพูดเลยเวลาคนตายนี้เขาบอกว่าไปสวรรค์ไม่ได้บอกว่าตายกันเพราะไม่ชอบคําว่าตายเพราะเหมือนกับว่าพอพูดว่าตายแล้วเหมือนจะสาบตัวเองให้ตายความจริงจะพูดไม่พูดมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคน แต่ถ้าพูดนะมันอาจจะทำให้เราไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมตายกันเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความตายกันได้เวลาตายเราจะไม่ทุกข์นี่นี่แหละคือเครื่องมือที่จะทำให้พวกเรานี้อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้เราจึงต้องนำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติให้ได้ ถาปฏิบัติได้แล้วเราจะมีที่พึ่งทางใจเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจที่จะปกป้องจิตใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้และจะป้องกันไม่ให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือการสร้างสราระสร้างที่พึ่งทางใจที่พวกเรามาศึกษากันในวันนี้ขอให้นำเอาไปปฏิบัต ทำทานเพื่อหยุดความอยากรักษาศีลเพื่ออยากหยุดความอยากภาวนาทำใจให้สงบเพื่อหยุดความอยากเพื่อทำให้ใจอิ่มทำให้ใจพอเราสอนใจให้เห็นโทษของความอยากต่างๆว่าเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายถ้าเราทำได้รับรองได้ว่าเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอน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 Mmm <laughs>